เรื่องพระครัวตาสามเรื่องสมัยนั้นบิดาและบุตรบวชในสำนักภิกษุวันหนึ่งเมื่อเขาบอกเวลาอาหารภิกษุผู้เป็นบุตรได้กล่าวกับภิกษุผู้เป็นบิดาว่านิมนต์ไปเถิดพระสงฆ์กำลังคอยท่านอยู่แล้วจับหลังผลักไปจนภิกษุผู้เป็นบิดาลม้มลงถึงแก่มรณภาคท่านเกิดความกังวลใจว่า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 าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จากฆ่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตปารารชิกแต่ต้องอาบัตทุลลจัยวงเล็บเรื่องที่เจ็ด